เรื่องของความเสียสละความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเด็กสิ่งที่พ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองควรจะทําก็คือว่าส่งเสริมคุณธรรมส่วนนี้เราไม่ยังไม่ต้องบ่มเพาะเพราะว่าของเขามีอยู่แล้วของดีก็มีอยู่แล้วในใจเด็กคนเราไปเข้าใจว่าคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องบ่มเพาะแต่ที่จริงธรรมชาตินี้ได้บ่มเพาะคุณธรรมนั้นลงไปในจิตใจเด็กแล้ว เขาเคยมีการทดลองเด็กที่แรกเกิดเนี่ยเขาดินเสียงเด็กคนอื่นร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยเขาจะแสดงอาการกระสับกระส่ายแต่ถ้าเกิดว่าไปเปิดเอาเทปเสียงร้องของเขาเองให้ตัวเขาเองฟังเนี่ยเขาจะไม่ร้องนะเขาจะไม่กระสับกระส่ายเด็กเขาแยกแยกได้ว่าในเสียงร้องของคนอื่นอันในเสียงร้องของเขาถ้าเขาดินเสียงร้องคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีความทุกข์แล้วถ้าเป็นเด็กที่โตกว่านั้นก็จะ ไม่อยู่เฉยก็จะพยายามที่จะเข้าไปหาเด็กที่กําลังร้องอยู่ไปดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนี่สัยที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนแล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยมันมีอยู่แล้วในใจของเด็กนะตั้งแต่แรกเกิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดโตมาหน่อยช่วสิบสีเดือนขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มเริ่มขยับนะเริ่มที่จะต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเด็กเหล่านั้น เด็กที่อายุตั้งแต่สิเดือนขึ้นไปเนี่ยนะเวลาเราให้ของเขา2ชิ้น mm hmm. เช่นขนมปังหรือว่าของหวานเช่นผลไม้แล้วถ้าเราเนี่ยบอกว่าขอแบ่งให้ซักชิ้นหนึ่งได้ไหมเด็กส่วนใหญ่ ก, ก็จะแบ่งให้และสิ่งที่เด็กแบ่งให้ก็น่าสนใจถ้าเป็นเด็กต่ํากว่า18เดือนก็จะแบ่งให้ของที่เขาชอบเพราะเขาก็ใจว่าคนที่ขอเนี่ยก็จะชอบท่านด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเขารู้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่18เดือนขึ้นไปเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคนขอเนี่ยไม่ได้ชอบแอปเปิ้ลไม่ได้ชอบผลไม้แต่ชอบขนมหวานเด็กก็จะยื่นขนมหวานให้พราะรู้ว่าคนขอนี่ชอบขนมหวานถึงแม้ว่าตัวเองจะชอบผลไม้หรือแอปเปิ้ลก็ตามอันนี้มันก็แสดงถึงน้ําใจนะความมีน้ําใจของเด็กที่มีอยู่แล้วความเห็นอกเห็นใจ ว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็พบว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะกับเด็กนะกับสัตว์เนี่ยมันก็มีซึ่งบางทีเราก็แปลกจใจว่าเขามีได้ยังไงบางทีเขามีเชน่นที่ที่เรายอมเสียสละเมื่อหลายปีก่อนก็มีการทดสอบเอาลิงกังเนี่ยลิงที่มันมีหาง6ตัวมาใส่ไว้ในกรงแล้วก็สอนให้มันเนี่ยหาอาหารด้วยการดึงโซ่ถ้ามันอยากได้กินอาหารก็ต้องดึงโซ่ ลิงมันก็จะพบว่าถ้ามันดึงโซ่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีลิงตัวที่7ถูกไฟช็อตนะหตัวเนี่ยถ้าดึงโซ่เส้นไหนก็ตามเนี่ยเพื่อจะเอาอาหารมากินเนี่ยไอ้ตัวที่7เนี่ยมันจะโดนไฟช็อตแล้วมันก็จะร้อง6ตัวนี้ทํำยังไงก็เพราะว่าไอ้สตัวแรกเนี่ยมันก็จะไปดึงโซ่เส้นอื่นซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอาหารน้อยกว่าแต่มันก็เลือกที่จะดึงโซ่เส้นนั้นเพราะว่าเป็นเส้นที่ไม่ทําให้ไอ้ตัวที่7มันร้อง คือไม่โดนไฟช็อตเขายอมที่จะกินน้อยเพื่อจะไม่ให้เพื่อนต้องเจ็บตัวที่5นี้ยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่ดึงโซ่สักเส้นเลยเขาว่เาเนับเวลาดูว่ามันมันไม่ดึงถึง5วันเทียวก็คือยอมอุตสหาหถึง5วันเพราะกลัวเพื่อนน่ร้องแต่ตัวที่หนี้ยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่ดึงถึง12วันเพราะกลัวว่าเพื่อนจะเจ็บอันนี้แสดงถึงน้าใจนะที่มีแม้กระทั่งในสัตว์ นะซึ่งเรื่องนอั่นเราก็เพราะว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์เหล่านี้นี่เขาจะรู้จักมีน้ำใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเราลึกว่าคุณธรรมเนี่ยหรือน้าใจนี่ก็มีอยู่แล้วในตัวเด็กตั้งแต่แรกเกิดพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่มีความเพียงแกตัวเขาก็มีแต่สองสิ่งนี้มันอยู่เคียงคู่กันขึ้นอยู่ว่าสิ่งแวดล้อมเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะส่งเสริม คุณสมบัติส่วนไหนถ้าไปส่งเสริมความเพ็งแก่ตัวความเห็งแก่ตัวนั้นก็จะมาเป็นใหญ่าจนกระทั่งไม่รู้จักคิดถึงคนอื่นหรือว่าถ้าส่งเสริมความมีน้ำใจหรือบางทีไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องส่งเสริมความมีน้ำใจหรอกอย่างน้อยก็ไม่ต้องกดเอาไว้แค่ไม่ต้องส่งเสริมความเพงแค่ตัวนันแหละความมีน้ำใจก็แสดงออกคือไม่ต้องถึงกับส่งเสริมไม่ค่อยมีความเสียสละแค่ ไ, ไปส่งเสริมความเพียแค่ตัวของเขาเท่านั้นแหละไอ้ความเสียสละความมีน้ำใจมันก็จะเจะเลยงอกงามขึ้นมาเองอันนี้พูดงี้ก็เพราะว่าบางทีก็มีแม่บางคนที่เขาก็ไม่ได้สอนเด็กให้ให้เสียสละมากนะักเขาก็พบว่าลูกของเขานี่ก็มีความเสียสละอย่างมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องแม็กนะเจ็ดขวบวันหนึ่งน้องแม็กก็มาหาแม่ตอนเย็นและขอเงินแม่ ขอทำอะไรของกัน10 บ, บาทแม่ก็บอกแม่ให้เงินเป็นแรก้งแตเช้านะแม่ให้ให้ลูกมาละสิบบาทาลูกมีอะไรถึงขออีกแม่ก็บอกว่าจะเอาเงินไปให้เก่งเก่งนี่เป็นเพื่อนเป็นลูกพันโงแม่ก็สงสัยว่าเอาไปให้เก่งทําอะไรแม่ก็ตอบว่าเก่งทําเงินหายครับแม่ก็ถามว่าแล้วเงินหายเนี่ยใครทําหายแม็กทำหายด้ยหรือเปล่าหมายถึงแม็กเป็นสาเหตุทําให้ทหําหายหรือเปล่า แม่ก็บอกว่าไม่ได้ทํำเก่งก็ทําเงินหายเองแม่ก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ต้องให้เก่งก็รับผิดชอบเสียแมจะเอาเงินไปให้เ้าทําไมแม่ก็ยืนกรานจะขอให้ได้แม่ก็ไม่เห็นเหตุผลสุดท้ายแม่ก็บอกว่าผมขอครั้งสุดท้ายนะครับแม่แม่ให้เงินผมสิบาทวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องให้ค่าขนมผมก็แล้วกันผมจะไม่ให้เก่งเพราะว่าสงสารเขาพ่อเขาดุ พ่อคือคันโลงชอบตีลูกกลัวไม่อยากให้เก่งถูกพ่อตีเจ็บ mm hmm. ก็เลยอยากไปช่วยอันนี้คือน้ำใจของเด็ก7จขวบที่เขาเขายอมที่จะอดผ้าขนมในวันรุ่งขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนซึ่งวิธีการนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่แม่สนับสนุนเขาก็ยังยืนยันแล้วก็ชี้แจงให้แม่เห็นจนกระทั่งแม่ก็ยอมก็เลยยอมให้เงิน แม็กไป10บาทเอาไปช่วยเก่งแต่เขาไม่ได้เลาต่อคนที่เลาเนี่ก็คือแม่นะไม่ได้เลาต่อว่าแล้ววันรุ่งขึ้นนี้เขาจะงดให้เงินนักหรือเปล่าหรือว่าให้ต่อแต่นี่เป็นตัวอย่างนะว่าความเสียสละความมีน้ำใจของเด็กเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยก็ได้ขออย่างเดียวคืออย่าไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้กับตัวเด็กเดี๋ยวนี้พ่อแม่จานวนมากก็บอกว่าไม่มีเวลาสอนลูก ในเมื่อสอนลูกในเวลาที่จะอบรมลูกให้เป็นคนดีอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่เวลาอบรมลูกเป็นคนดีแล้วบางทียังส่งเสริมค่านิยมผิดๆให้แก่เด็กให้แก่ลูกทําให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเช่นในกรณีของแม่ของแบ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็จะบอกว่าเอาไปให้เขาทาไมนะให้เขาเราเราเดือดร้อนแล้วให้เขาทาไมไปช่วยเขาทาไมกรรมใครก็กรรมมันนะสอนกันอย่างนี้ก็มีเยอะ ถ้าสอนบบนี้มากๆเนี่ยต่อไปแม่ก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวทั้งที่เขามีนิสัยฝ่ายดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเสียสละความมีน้ำใจเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทวนกระแสะกิเลสเพราะว่าจริงๆเขาก็มีคุณธรรมส่วนนี้อยู่แล้วเคียงคู่กับความเห็นแก่ตัวอยู่ที่ว่าเราจะส่งเสริมส่วนไหนหรือว่าเราจะละเลยส่วนไหนแล้วก็ไป บ่มเพาะสับสนุนส่วนไหนอ น, นเรื่องความเสียสละความมีน้ำใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะประคองรักษาเอาไว้แล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยอย่าไปมองว่าคนมีน้ำใจเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่หัวอ่อนหรือว่าถูกเอาเปรียบความมีน้ำใจความเสียสละมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทั้งแก่ผู้อื่นและแก่ตัวเองคนที่รู้จัก เออเฟือคือกนผู้อื่นก็จะเป็นคนที่มีความสุขง่ายทุกยากคนเรานี่ถ้าเกิดว่าได้รู้จักเสียสละเออเฟือเนี่ยเราจะพบว่าไอการเสียสละนั่นแหละมันทำให้เกิดความสุขแก่ตัวเองเป็นความสุขทางจิตใจเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยเคยจัดโครงการจิตอาสาพาไปนวดเด็กทุกวันนี้ยังทาอยู่ตอนนี้ทารุ่นที่6แล้ว โครงการมูลนิธิสุขภาพไทยเขาจัดร่วมกับเครือข่ายพฤติกาก็มีคุณแม่คนหนึ่งก็ไล่ฟังว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ปวดไมเกรนเป็นประจําต้องกินยาทุกวันปวดมากแต่ว่าเขาก็มีน้ําใจไปไปนวดเด็กเด็กกําพร้าที่บ้านปักเกรดเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ต้องได้รับการเลี้ยงดูโดยพี่เลี้ยง ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาอุ้มเด็กก็เอาแต่นอนพอไม่ได้ฝึกเดินสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ต้องมีการนวดแล้วก็มีการอุ้มด้วยแล้วก็พาเดินอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง ม, มีคุณแม่นนี้เขาเล่ามาว่าพอเขาไปนวดเด็กสักสองครั้งเท่านั้นแหละพเพราะว่าเขาลืมกินยาเลยเพราะว่าหายปวดความปวดนี่หายไปเลยลืมไปเลยเพราะว่า พอไปทาแล้วเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจก็คงจะมีสารอะไรสักอย่างเนี่ยหลั่งนะจะเป็นสารโดพามีนก็ได้หลั่งช่วยทําให้ความปวดจากโรคไมเกรนมันหายไปเขาก็มาไล่ฟังด้วยความประหลาดใจว่าเออจริงนะว่าการให้ความสุขกกบผู้อื่นเนี่ยย่อมทําให้ผู้นั้นได้รับความสุขกลับคืนมาหลายคนก็บอกว่าพอไปทาแล้วเนี่ยที่แรกไปคิดว่าเขาเป็นฝ่ายให้เด็ก แต่บอกว่าเด็กนี่เป็นฝ่ายให้เขามากกว่าทําให้รู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาแล้วปี2ปีหลังนี้ก็มีเด็กมัธยมนะสิบสแล้วก็ไปนวดเด็กตัวเหมือนกันเด็กก็ติดใจนะไปแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆ เ, เหล่านี้ทําให้ชีวิตเขารู้สึกชีวิตเขามีความหมายมันก็ว่าเติมเต็ ม, ตมความหมายให้แก่ชีวิตของเขาแต่ก่อนก็ไปคิดว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ รูปร่างหน้าตาอยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ที่คําชมสารเสริญอยู่ที่การมีแฟนในสายตาของเด็กวัยรุ่นแต่พอเขาไปนวดเด็กเออมีความสุขนะติดใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขที่เกิดจากการมีน้ําใจแล้วคนเรานี่ถ้าคิดถึงคนอื่นมากๆเนี่ยนะให้ความเมงกับตัวก็น้อยลงจิตใจก็มีที่ว่างที่จะซึมซับรับเอาความสุขแต่คนเราถ้ามีความเมงกับตัวคิดถึงแต่ตัวเองมากเนี่ย ในใจนั้นก็เต็มไปด้วยอัตตาอัตตามันเบียดบังเนื้อที่จนกระทั้งความสุขจะซึมซับเข้าไปแทรกเข้าไปก็ยากเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเราก็นุมโมทนาแต่ถ้าเกิดว่านึกถึงคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นเป็นคนที่มีจิตใจนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เสียใจนะมุติตาจิตมันมาเกิดขึ้นจากการที่เรานึกถึงคนอื่นเราก็ใยเขาได้ดี และบางทีมันทำให้เราเนี่ยมีความอดทนมากสามารถที่จะรับความทุกข์ของตัวเองได้พอเวลาตัวเองทุกข์ก็เป น, นึกถึงคนอื่นว่าเออมันยังมีคนที่ก็ทุกข์กว่าเรานะคนเราทําไม่คิดตรงนี้เนี่ยเวลาเจอเรื่องอะไรที่ไม่ถูกใจนี่ก็จะเอาแต่ทุกข์อย่างเดียวจะกล่นดาว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เอาแต่ทุกข์แต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นนี่เราก็จะรู้ว่าโอโ้มีคนที่ทุกข์มากกว่าเราหนะมันทําให้ความทุกข์ของเราไปลึกเล็กน้อย เมื่อปีที่แล้วนี่หมอที่โรงพยาบาลนครปฐมเล่าให้ฟังเรื่องของน้องโยซึ่งเพิ่นก็ยุเจ็ดขวบพอใกล้ๆกับวัยเดียวกับน้องแม็กแต่ว่าแกทำในสิ่งซึ่งน่าทึ่งมากวันหนึ่งป้าก็ชวนน้องโยขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถก็คงถูกชนป้านี่ก็แขนหักแต่น้องโยนี่หนักกว่านั้นคือขาเละเลย ต้องเรียนนำส่งโรงพยาบาลคนที่เป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่ขนน้องโยขึ้นมาเนี่ยกับป้าเนี่ยป้านี่ร้องอดโอยเลยแต่น้องโยไม่ร้องเลยจนมาถึงห้องผ่าตัดน้องโยก็ไม่ร้องหมอผ่าตัดเสร็จก็เลยถามว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับทำไมกลัวป้าเสียใจนะ เพราะว่าป้านี่ก็เป็นคนชวนน้องโยมารับคอกกัมป้านี่ก็คงทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ว่าน้องโยนี่เป็นคนที่นึกถึงป้าไม่ให้ป้าทุกข์มากกว่า น, นี้ก็เลยไม่ร้องเพราะถ้าร้องนี่ป้าคงจะมือนกับหัวใจจะสลายน้องโยนี่คิดถึงคนอื่นคิดถึงป้าก็ทําให้สามารถที่จะกดกัน้นความทุกข์เอาไว้ได้ความเจ็บความปวดของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย คนทุกวันนี้ทุกมากเพราะว่านึกถึงแต่ตัวเองเจออะไรไม่ถูกใจผิดหวังแม้แต่เล็กน้อยก็จะเป็นบ้าให้ได้นะพิถึงแต่ตัวเองบางบางทีก็ฆ่าตัวตายในเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเรื่องเลยแต่คนเราเนี่ยเมื่อถูกสอนให้คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยปวดหัวปวดฟันมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแต่เรานึคนอื่นนี่เออมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลย เด็กคนหนึ่งก็าร้องไห้โอ้ยไม่มีรองเท้าใส่แม่ไม่มีเงินซื้อรองเท้าให้รองเท้าแต่นะเด็กก็ร้องไห้แต่พอไปเจอเด็กขอทานคนหนึ่งเงียบเลยเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่มีขาไม่มีรองเท้าก็ไม่มีขาเนี่มันลิกกันไกลนะคนเราพอเห็นความทุกข์ของคนอื่นมันก็เราจ้อนกลับมาดูตัวบางทีก็ทําให้รู้สึกเลยว่าออความทุกข์ของตัวเองมาเล็กน้อย คนเราถ้ามันนึกถึงคนอื่นให้มากเนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะที่ช่วยประคองใจให้สามารถที่จะมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสมัยนี้ไม่ไม่ค่อยมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์เท่าไหร่เพราะคิดถึงแต่ตัวเองมากจะทำอะไรก็ถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรไม่ได้นึกถึงว่าสังคมหรือส่วนรวมจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ก็สามารถที่จะสอนลูกหรือแนะนำลูกให้ไปในทางนี้ได้ เราควรจะทำกับตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีน้ำใจเนี่ยก็ควรขยายน้ำใจเราไปให้กว้างามกับคนอื่นด้วยเช่นเรื่องการให้ทานในเรื่องการเสียสระเนี่ยาชาพูดเราเนี่ยมักจะให้ค่ากับการให้ทานกับพระหรือว่ากับวัดหรือกับสิ่งที่มีความหมายทางศาสนา แต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะฝึกอย่างดีมากคือการที่เราเอื้อเฟื้อให้แก่คนธรรมดาหรือเอื้อเฟื้อกษัตริย์คือการที่จะวัดคุณธรรมของคนเนี่ยเราไม่ได้วัดว่าเราทำอะไรกับคนที่สูงกว่าเราแต่ต้องดูว่าเราทำอะไรกับคนที่ต่ำกว่าเราคนที่สูงกว่าเราเช่นพระพระเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เราถวายเงินให้เนี่ยหรือเราอุทิศแรงให้เนี่ยพเราต้องการผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่า พระก็ดีพระพุทธองค์ก็ดีเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับสิ่งที่สามารถให้บุญให้โทษแก่เราได้ถวายอาหารให้กับพระเพราะว่าเราอยากจะได้บุญเราถวายวัดให้แก่พุทธศาสนาเพราะาเราจะได้สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญมันเป็นการให้ที่หวังผลประโยชน์เวลาเราให้แก่บุคคลที่สูงกว่าเราเนี่ยจะเป็นพระก็ดีจะเป็นพระพุทธองค์ก็ดีเนี่ย มันจะมีความเห็นแค่ตัวลึกๆแฝงอยู่ว่าต้องการผลประโยชน์อย่างน้อยก็ต้องการบุญจะถวายอะไรให้พระก็ต้องการบุญอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงถึงความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงก็คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเวลาเราให้คนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเลยเนี่ยอันนั้นแสดงว่าเป็นเมตตากรุณาที่แท้จริงหรือว่าเป็นการฝึกฝนให้เกิดเมตตากรุณาซึ่งก็เป็นการลดละขัดเกลอกิเลสตัณหาได้ จชาวู้จำนวนไม่น้อยเนี่ยบางทีให้ความสําคัญกับเรื่องของการอุปถัมภ์บำรุงพระแต่ว่าลืมนึกถึงคนที่ต่ํากว่าเราหรือคนที่ยากจนกับเราหรือแม้กรทั่งคนธรรมดาเคยมีแม่ชีหนึ่งไล่ฟังไปทําบุญกับพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากที่จังหวัดอุดรเออชื่อทุกคนก็รู้จักคนนี้ไปกันเยอะมากเลยบถเต็มวัดเลยไปถวายอาหาร อาหารก็ล้นเหลือเสร็จแล้วพอถวายเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านแม่ชีนั้นก็ไม่มีรถมานก็เดินออกจากประตูวัดตรงไปที่ถนนซึ่งห่างประมาณ2กิโลถนนเป็นถนนใหญ่นะคนแก่เดินกระโผกกระเพกแม่ชีนะแดด ก, ก็ร้อนพราก็ว่ารถเป็น 10-10 คันแล่นผ่านโดยไม่สนใจจะรับคนแก่เลยทุกคนอยากจะมาเอาบุญกับพระอรหรันต์ นะแต่ว่าไม่มีน้ำใจกับคนข้างๆนะซึ่งเป็นคนแก่เดินกับภพกเพศอันนี้มันแสดงถึงความบกพร่องอะไรบางอย่างของน้ำใจพำให้เราตั้งคำถามว่า อ, อย่างนี้จะมีน้ำใจจริงหรือเปล่าจะเป็นบุญจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาทำบุญให้กับพระอระหันต์เพราะเราคิดว่าทำแล้วจะได้บุญเราอยากได้บุญแต่อะไรที่ทำแล้วไม่ได้เราก็ไม่ทา อันนี้ก็แสดงว่าเราก็ยังตกอยู่ในภูมิที่ต่ําคือยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่การที่เราช่วยคนที่ต่ําก็จะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์อาจจะเป็นคนธรรมดาเป็นคนยากคนจนแต่การช่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจความมีเมตตาอย่างแท้จริงคือไม่ได้หวังผลประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกฝึกเ อ, อื้อฟื้อฝึกมีน้ำใจกับคนที่ต่ํากว่าเราต่ําในที่นี้หมายถึงว่าต่าในทางเศรษฐกิจ หรือว่าต่าในทางความรู้หรือว่าต่าโดยสถานะเช่นอาจจะหมายถึงสัตว์สัเหล่านี้มันไม่ช่วยอะไรเราอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ควรทําทําโดยไม่หวังอะไรหรือว่าช่วยใครก็ช่วยไปเลยโดยที่ไม่มีเยื่อใยว่าเขาจะสํำนึกในบุญคุณของเราหรือเปล่าเขาจะตอบแทนบุญคุณของเราหรือไม่เราต้องฝึกตรงนี้บ้างฝึกเพื่อที่จะลดละความเห็นแก่ตัวฝึกที่จะลดละความยึดติดถือมัน่น อันนี้มันเป็นการขัดเกลวเสริมสร้างเมตตากรณุณาอย่างแท้จริงซึ่งเราควรทำมากๆและทายดีเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ทำไม่ดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาด้วยบางทีเรามักจะตั้งคำถามว่าไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยคนที่มันเอาเปรียบเราเนี่ยมันคู่ควรกับความดีของเราหรือเปล่าเรามักจะตอบว่าคนที่ทาเอาเปรียบเราคนเหล่านี้เนี่ยไม่คู่ควรกับความดีของเราเพราะนั้นเราก็เลย ไม่ทำความดีกับเขาหรือว่าอาจจะทำความชั่วกับเขาไปเลยแต่ที่จริงเราควรจะถามว่าแทนที่เราจะไปมองว่าเขาเนี่ยคู่ควรกับความดีของเราหรือเปล่าเราควรจะมองมาที่ตัวเราเองว่าระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรที่คู่ควรกับเรามันต่างกันเลยนะระหว่างการมองคนอื่นว่าเขาเนี่ยไอคนเหล่านี้มันคู่ควรกับความดีของเราหรือไม่ถ้าไม่คู่ควรก็ด่ามันไป หรือว่าเอาเปรียบมันยิ่งดีอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องเราควรต้องถามมองมาที่ตัวเราว่าความดีกับความช่วยเนี่ยอันไหนที่คู่ควรกับเราถ้าเราคิดว่าความดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราเราก็ควรทําความดีไม่ว่ากับใครก็ตามถ้าว่าเราทําความชั่วคนอื่นก็แสดงว่าเราคิดว่าเราให้คุณค่าว่าความชั่วเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราเราถึงทําความชั่วคนอื่น มันเป็นเรื่องงา่ายนะที่จะทำความดีกับคนที่ทาดีกับเรามันเป็นเรื่องงา่ายที่จะทำความดีกับคนที่มีบุญคุณกับเราแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงให้เห็นคืถึงความมีคุณธรรมอย่างแท้จริงก็คือการที่เราสามารถจะทำความดีกับคนอื่นที่แม้จะไม่ได้ทำดีกับเราเพราะเราตระหนักว่าความดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราและเราตระหนักว่าเมื่อเราทาความดีแล้ว มันก็จะช่วยยกจิตของร้ใหสูงขึ้นมีแท็กซี่คนนึงเนี่ย น, นี้เกิดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นชอวบังคลาเทศคือในนิวยอร์กนี่ส่วนใหญ่ถ้าแท็กซี่แล้วนี้ก็ดาวไว้ได้เลยว่าเป็นบังคลาเทศเขาก็จากบ้านจากเมืองมาเพื่อที่จะขับรถเพื่อที่จะส่งเงินออกไปเลี้ยงพ่อแม่ที่บังคลาเทศและวันนึงเขาก็รับผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวภูมิฐานมากใส่เสื้อ น, นอก ในยานธุรกิจที่มีชื่อแล้วก็พอเขาไปส่งถึงที่เนี่ยปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยให้ทิปเขาแค่30เซน30เซนนี่มันแค่ถ้าเป็นอเมริกาเขาแค่ยังมเมาแค่บาทหนึ่งหรือว่า3มสลึงมันน้อยมากนะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าพอเขาส่งผู้โดยสารเสร็จเขาแล่นลรถเลี้ยวกลับมาดูที่เบาะหลังเพราะว่ามันมีกระเป๋าเจมบอนอยู่ ก็เปิดดูนะบว่ามันเป็นเพชรนะสาเอ็ดเม็ดาก็คิดดูนะเพชรสามิเม็ดนี่ทําให้เขารวยได้ทั้งปีทั้งชาติเลยสามารถจะช่วยทําให้ครอบครัวนี้หมดหนี้สินได้แต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะเอาเพชรนั้นเนี่ยไปมอบให้แกต่ตํารวจก็เลยเป็นข่าวดังเลยว่าแท็กซี่พลเมืองดีนะมอบเพชรสาเม็ดจํานวนเป็นหลายล้านดอลลาร์คืนให้แก่ เจ้าของทางดที่เจ้าของนั้นเนี่ยให้ทิปเขาแค่30มสิบเซนเอาคนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเจอทิปแค่30มสิบเซนอย่างงี้เราคงต้องหาทางแก้แค้นละมึงให้กู30มสิบเซนกูเอาไปเลย3าเอ็ดมตรนะหายเข้ากลีดเมฆไปเลยก็เพราะมึงแข็งแก่ตัวนี่นะกูก็ต้องเอามึงมั่งแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะมีคนไปถามรู้สึกชื่ออาซิมมึงถามว่าทําไมก็ถึงคืนเงินเขาบอกว่า ในชีวิตผมเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะซื่อสัตย์แล้ววันนี้ก็ไม่ต่างจากวันก่อนหมายความว่าเขามองว่าเขาต้องการเป็นคนซื่อสัตย์นะไม่ว่ากับใครเขาตามเขาก็ยังรักษาวความซื่อสัตย์เอาไว้เพราะว่านี่คือปณิธานของเขาคือเขาเห็นว่าเขามีคุณธรรมตรงนี้แต่คนเราเนี่ยบางทีเวลาเราจะทําดีใครเราก็ต้องดูว่าเขาทําดีกับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทําดีกับเราเราก็ตอบแทนเขาด้วยความไม่ดี เราจะทำดีกับเขาก็ตตอบเมื่อเขาทาดีกับเราซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแครก็ทํากันได้แต่ว่าสิ่งที่จะทดสอบความมีคุณธรรมก็คือว่าไม่ว่าใครจะทําดีกับเราหรือเปล่าในเมื่อเราเชื่อมันในเรื่อ ง, องความดีแล้วก็ทําความดีให้กับคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากและมันก็จะเป็นการลดละเป็นการเอาชนะกิเลสได้เพราะกิเลสเนี่ยมันมักจะหาเหตุผล นานาชนิดนะเพื่อที่จะเอาเข้าตัวแลนะส่วนหนึ่งเหตุผลที่กิเลสมักจะใช้ก็คือว่า mm hmm. ก็ไอ้พวกนี้มันไม่ดีเนี่ยไอ้พวกนี้มันเอาเปรียบไอ้พวกนี้มันเหงเกตตัวไอ้พวกนี้มันแย่ฉัน ก, ก็ต้องเล่นงานมันบ้างเล่นงานในนามของผู้พิทักคุณธรรมอ้างคุณธรรมหรือบางทีก็อ้างความไม่เท่าเทียมอ้างความยิติธรรมเพราะว่าฉันทำความดีมานานแล้วนะทความดีมานานแต่ว่า ก็ยังยากจนอยู่มันไม่ยุติธรรมเลยนะที่ฉันยังยากจนอยู่ทั้าทฉันทำความดีมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นโอกาสแล้วที่ฉันจะทําให้มันเกิดความยุติธรรมขึ้นมาสารพัดจะอ้างนะไอ้กิเลสนี่แหละแต่เราก็ต้องรู้ทันนะและถ้าเราเอาชนะมันได้เนี่ยต่อไปเราก็จะเอาชนะไอ้กิเลส ท, ที่มันละเอียดกว่านี้ได้ และถ้าเราเอาชนะกิเลสได้เนี่ยใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายเราจะไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ง่ายๆนะดเดี๋ยวพอถ้าเรารู้จักนึกถึงคนอื่นเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราช่วยกันสอนลูกสอนหลานกันอย่างนี้บ้างเมืองไทยจะได้หน้าอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราคนไทยคิดถึงแต่ตัวเองกันเยอะนะแล้วก็เริ่มจะไม่เชื่อว่าความดีมันมีคุณค่าอย่างไรความดีก็เป็นเพียงแค่เครื่องตอบแทน ดีกับฉันฉันก็ดีกับเธอถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่ดีกับเธอหาได้ตหนัาไม่ว่าการทําเช่นนั้นมันก็จะทําให้เราลดต่ําลงไปบางทีเราชอบเอาคนไม่ดีมาเป็นครูเราชอบเอาศัตรูมาเป็นครูศัตรูมันทํายังไงกับเราเราต้องทําอย่างนั้นกับมันพูดง่ายคือว่าเราก็ต้องเจริญลอยตามมันศัตรูชอบนินทาเราเราก็นินทากลับศัตรูหรือว่าคู่ปรปับปาใส่ร้ายเราเราก็ต้องใส่ร้ายลกลับ ก็กลายเป็นว่าเรากำลังเอาเขาเป็นครูแท น, นที่จะเอาพระพุทธเจ้าเป็นครูตอบแทนความชั่วยด้วยความดีไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เราเอาคนไม่ดีมาเป็นครูซะเยอะเอาศัตรูเป็นครูซะเยอะเราเลยตกต่ำลงไปพร้อมกับเขานีมันก็เลยทําให้ชีวิตเรายากจะเจริญก้าวหน้าได้